<c oughs> เอาคำสวนพระพุทธเจ้ามาลำดับลำนำา่วกันฟังเรียกว่าบทท่องจำจะไม่ได้ลืมใะตามคำสอนพระพุทธเจ้าประกาศว่ามาเถิดมาเถิด มาสู่ทําไม่ไหนของเราทำไม่ไหนของเราตัดไว้ดีแล้วท่านจงเป็นผู้ประพฤติตามทำไม่ใดนั่นเถิดก็เป็นที่สิ้นทุกข์ท่องปวงเมื่อผู้ใดสิ้นทุกข์แล้วก็อบอกว่าจงปฏิบัติตามทำไม่ใดนั่นเถิดเท่านั้น แน่แต่ผู้เชื่นทุกคนตามทาไว้ไหนทําไว้ไหนนี้เหมือนเช่นได้ที่ล้อยดอกไม้ดอกไม้ต่างต้นต่างเหล่าต่างพันต่างกินต่างสีเมือเม่อมาล้อยเข้าเช่นได้เอาเช่นได้ไปล้อยเข้ากันได้แล้วก็ย่อมเป็นกายมัน วงมาไหลไม่เคยช่วยกระจายมีค่าพวกเราก็ เ, าเชิญดอกไม้ต่างต้นต่างพ่อต่างแม่ต่างนิดใช้ใจคอที่เป็นมาอย่างไรก็เมื่อออกมาเอาเชิญได้มาล้อยเข้ากันแล้วก็เป็นอันเดียวกัน อยู่ในลํบากับนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันอยู่ในเช่ น, นเดียวกันเช่นเรามีสติเรานั่งอยู่นี่ทั้งนักบวดทั้งคลาวาอันเดียวกันนี่สติเหมือนเช่นได้สติเหมือนเช่นได้ถ้าเรามีสติก็ อ, อันเดียวกัน ถ้าไม่มีสติก็กระจุยกระจายกันอยู่นี่พู้เจ้าเชื่ออย่างนี้เชื่อมั่นอย่างนี้เมื่อโชทําำอ้ไหรของเราเมื่อใดเราอยู่ในเช่นได้มีสติโลกจะไม่ว่างจากพระหรหันแน่นอนเพราะสติหรือเช่นได้นี่มันอยู่โดยชอบไม่กระจุยกระจาย นี่คือวัดปฏิบัติที่เราก็หมายสู่หมายสู่ทำไม่ได้เราจึงเหมือนกับเรามานั่งขยู่นพว่งเพร่ดำเดียวกันต่อต่างคนต่ออยู่ในเพรนก็เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติไปทูจุดหมายปายทาง ถ้าเรารู้มันก็ไปจากความหลงมันไปก็มันเองนั้นเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ธรรมชาติธรรมะกฎธรรมชาติตามอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ความหลงก็หมดก็น้อยลงห้ือหมดไป ถ้าเราหลงความหลงก็เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่มีสติความหลงเพิ่มขึ้นเหมือนกับแผ่นดินขาดน้มเช่นปีนี้ครึ่งปีแล้วก็แห้งแล้งไม่มีอะไรงอกงามขึ้น เราเกียดข้าวเราไม่มีสติชีวิตแห้งแลง้งชีวิตแห้งแล้งคือเกิดปัญหาความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นอันชีวิตคู่ใดแห้ ง, ลงแล้งถ้าเรามีความเพียรมีสติเหมือนน้าฝนเราชุ่มขึ้นมามีได้ชุ่มขึ้นมาได้ต้องทำเอาเอง ถ้าจะเเบียบเหมือนกับข้าวป่าอาหารพ่อแม่หามาไว้ให้เราอยู่เรากินเราไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าต้อรู้สึกตัวอริยภัพภายในไม่มีใครหาให้เราได้เราหลงเองเราก็ทำบาปเองก็ยอมเศ้าหมองเองไม่ทำบาปเองไม่หลงก็หมดจดเอง ความเศร้หามหมองของโจรเป็นของของตนมอนล่อเกียนหมุนตามรอยเท่าของโคเศนนั่นมันไม่หนีไปไหนมีลอยลอยความหลงลอยความรู้เท่าความรู้ก็ ม, รนะมกีรอยไปสู่ทางหนะังเท่าความหลงก็ลอยไปสู่ทางนังไปคนละทางกัน ถ้าชีวิตนี้ถ้ามีภาวะที่ลูกก็อุดมสมบูรณ์เป็นมากเป็นผลตวงลูกเกิดมากเกิดผลเครองหลงเกิดบาปอกุศลมันก็ไปแบบนี้ถ้ามีความรู้ไม่ต้องไปปรารถนามากผลให้ผ่านมันเป็นไปเองมันยินไปเองมันหมดไปเองชีวิต มันก็จบเป็นหมอนชื่อนั้นเราเกิดขาดเราอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นมันช่อยู่ที่ไหนมีระโลกอยู่ที่นั่นถ้าเราผิดพลาดเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นช่วยกันไม่ได้ บางคนมีความหลงบางคนไม่หลงบางคนมีความโกรธบางคนไม่มีความโกรธคนมีความหลงก็มีความโกรธควาทุกคนไม่มีความหลงก็ไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์มันก็ต่างกันรวมรู้สึกตัวทําให้เราไม่มีความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความหลงทำให้เรามีความโลภความโกรธความหลงความทุกข์มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคเรามันเป็นอย่างนี้ เราก็มีสิทธิที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองมีสติจึงมาโดยกายมาโดยใจของเรานี้ให้เหมือนคุ้มต่างคนต่างดูแลตัวเราเองชีวิตของเราก็ไม่มากมีกายมีใจปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้การแก้ปัญหาก็แก้ที่กายที่ใจนี้ไม่ได้แกที่อื่น ยิ่งทำมาเหตุปะผวาเตสังเหตุองตถาคตโตเตะฉันจะโยนิโลโธจะเอวังวะทีมหาสมโนพระุทธเจ้าสอนเท่านี้จริงทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับโค้ดดับที่เหตุเพราะตถาคตสอนอย่างนี้ครูของเราสอนอย่างนี้ไม่ใช่ไปแก้ที่อื่นเหตุมันเกิดที่ไหน ก็มีที่กายที่ใจใจกายใจไม่มีสติก็เกิดหลงเถื่อนสอมโซนเถื่อนกายก็เถื่อนใจก็เถือ่อนเอาหอบเขาหิวไปไหนก็ได้เอาใช่ป็นสุขป็นทุกข์ก็ได้สุขทุกข์ไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันต้องไม่เป็นอะไร ลองสมผา ด, ดูมีสติมีสมชน ญ, ญาดูจะให้มันเถือนให้กายมีเจ้าของให้ใจมีเจ้าของเจ้าของกายเจ้าของใจคือสติสมชนญะเหมือนสิ่งของวัตถุมีเจ้าของสิ่งใดมีเจ้าของสิ่งนั้นก็อยู่ได้ไม่เสียหาย ถ้าจิตไหนไม่มีเจ้าของจิตนั้นก็เถื่อนสมชอนสาธนะเกิดการเสียหายได้ได้เป็นจิตก็เป็นจิโโนตโสเพณีเอาหอบผิวไปไหนต่างกืนว่าฝันกลางวนว่าคิดไหลเรื่อยถ้าเรามีสติแล้วก็ลิขิต เป็นส่วนตัวมีสธิมันหลงมีสธิไม่หลงมันทุกมีสธิไม่ทุกมันโกรธมีสธิไม่โกรธสติเหล่า น, นี้เป็นธรรมาที่ปัจจัยธรรมาที่เตยยะน้ยเปอร์เซนไม่ต้องเป็นเรียกลองจากใครอยู่กับเรานี้จึงเป็นมนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์ สวรรคสมบัติสมบัติของมนุษย์นิพพานสมบัติสมบัติของมนุษย์ถ้าเราไม่ใช่สิทธิ์ตรงนี้เราก็เสียความเป็นมนุษย์เสียชาติเพราะเราไม่เคยดูแลไม่เคยช่วยไม่เคยขนส่งปัญหาออกจากกายจากใจเมื่อเราศึกษา ปัญหากลายเป็นปัญญาหลังที่เราสวดพุทธสูตรตริเราก็นัขาถาสาลัทธิตาขาถาถ้าเราไม่เอาของหนักออกก็หนักไม่สลัดของหนักทิ้งสุกก็หนักทุ ก, ก็หนัก โลกหลงก็หนักยึดมันถือมันก็หนักเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้ด้อยเป็นผู้เสียเป็นผู้อะไรอะไมันก็หนักโดยเจ้าจึงบอกว่าสลัดของหนักพระเรียเจ้าสลัดของหนักทิ้งลงแล้วไม่หยิดไม่ยยึดเอาของหนักขึ้นมาอีกไม่ยึดเอาของหนักขึ้นมาอีก จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่ไหลผวงแต่งมาได้อีกต่อไปมันเป็นไปได้แล้วซึ่งปวงสิ้นไปแห่งทุกข์องปวงคือถึงนิพพานมันเป็นอย่างนี้มาหน้าที่จะเป็นสิทธิที่เราจะต้องใช้ให้เต็มที่อัตตาที่ปเตยะ เราก็อยู่ที่นี่ยรตาคือมีกายมีใจส่วนตัวมีสิทธิส่วนตัวกายนี้กใจนี้เรากาที่บุตรเยอะอยู่กับโลกมีสิทธิเท่าเทียมคนคนอื่นเป็นอธิปที่ตายของโลก เราไปก heaven, in, hmm. ็ขนส่งไปถึงธรรมะที่ประเจ้าขนส่งเข้าถึงธรรมบบอนก็ไม่เที่ยงใช่วิทยาศาสตร์เราพูดเบบาๆไม่ได้ยิน วิทยาศาสตร์บังคับบังคับไปได้ยินแต่ในครัง้งผู้เจ้าคงไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็ชินเสร็จแล้วไม่ใช่อะไรต่างๆประกอบ เลยเฉพาะหลองตาแล้เสียงไม่ค่อยมีาภาพแค่ไม่ค่อยได้แล้วเสื่อมหมดก็ <c oughs> ไม่เต็มที่การใช้ชีวิตไม่เต็มที่อยากจะบอกกสอนอยากจะทำอะไรต่างๆก็ทำไม่ได้ มันก็เช่นี่ชีวิตของเราแต่ก็โดยใช้คิดมาในเพศของนักบวชเนี่ยอสมควรคนบ า, บางกล่าวมาไหว้ไม่อายอยู่กติกินข้าวชาวบ้านนุงห่มผ้าชาวบ้านที่นำมาให้ ก็ไม่ละอายเท่าไหร่แต่ว่ากุ้มค่าเราใช้ชีวิตเพื่อแผ่นดินนี้เพื่อโลกไม่ใช่ส่วนตัวเราธรรมะเลเป็นของส่วนรวมเป็นสมบัติของโลกสมควรที่จะให้อยู่ในชีวิตแบบนี้ต้องขออาภัย แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เท่าที่ควรล่มเหลวก็ว่าได้สอนคนเกือบจะทุกวันคนไทยก็ยังทะเลาะวิวาทกันอยู่บางคนก็สอนไม่ให้กินเหล้าก็ยังกินเหล้ากันอยู่บางคนสอนให้สุบบุดรีก็สูบุหรีกันอยู่ บางคนสนให้โกรธก็ยังโกรธยังหลงยังทุกข์ปฏิบัติต่อหน้าต่อตาไปถามดูว่าอย่างทำไม่ถูกดูหน้าปูดๆดหน้าบึง้งบึงตาแดงแดงเหมือนกับหนักเหมือนกับแบกช้างสักตัวหนึ่งไปถามดูเป็นยังไงหนู ก็เป็นหน่มสาวเขาก็พูดออกมาวันนี้หนูเทียดมันคิดนะน่าง่วงก็ง่วงน้ำตาก็บอกได้ว่าดูหนะ้าตาก็คงจะเป็นแบบนั้นก็เลยบอกก็เลยถามต่อไปว่า ตอบใหม่นักปฏิบัติตอบจากนี้ไม่ถูกต้องหลวงตาบอกให้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ว่าไม่ให้ไปเป็นไป ก, กับมันตอบว่าหนูเครียดมันไม่ถูกต้องตามหลักของกรรมฐานถ้าเป็นการสอบว่าไม่ผ่านตอบไม่ผ่านเกบไม่ดี ต้องเรียนช่อมถ้าเราเกรดดีก็ผ่านได้ง่ายๆตอบใหม่เต่ตัวกับไงหนูก็เครียดจริงๆมันก็ง่งวงนั่น่ะ้องพ่อบอกให้ลอนตาบอกให้ดูเห็นอย่าเป็นมันเครียดเห็นมันเครียด มันง่วงเห็นมันง่วงเคยได้ยินหไอยก็ได้ยินทุกวันทำไมจึงไม่ทำแบบที่บอกไปสุขสนไปดือ้อไม่รู้จักแก้ไขตัวเองดูก็สทถาจะยิ้มขึ้นมาเปลี่ยนสีหน้าใหม่แล้วเถอโอ้วันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้ใช่ได้ ตอนนี้หนูเห็นมันเครียดนั่นแหละเห็นมันยาเป็นมันเครียดมันไม่ใช่ชีวิตเรามันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราแปดเมื่นสี่พันจ่างที่มันจรมาทำไมเศ้าหมองทำไมหนักทำไม ห, หลงว่าสาอะไรความคิดเฉ ย, เฉย มันชีช่างเขียวมามาไหมนองดาเลยบอกว่ากิเลสเหมือนหมาตัวหนึ่งจะตีวันช่างบันไว้อะไรมันเครียดก็คิดแบบเป็นผู้เครียดหน้าบูดดำเมื่เข้าไปมันง่วงก็ง่วงบ่นเอ่ยไปเสียงในความบ่นแอ่ยของตาบอกล้วบังง่วงตื่นตรงนั้น ขอหนักเป็นเบาขึ้นมาของหลงเป็นรู้ขึ้นมามันตรงกันข้ามรวมหลงไม่ควมรู้ตรงกันรวมปวดควมไม่ปวดตรงกันรวมทุกข์รวมไม่ทุกข์ตรงกันมันมาพิ่มกันปัญหาหมากับปัญญารวมทุกข์หมากับรวมไม่ทุกข์ก็ไม่เปลี่ยนตรงนี้มันก็ไปไม่ถึงไหน โกดจนตายหลงจนตายทุกจนตายเราจะหลงจนตายโกดจนตายทุกจนตายเราจะไม่แค่ไม่เปลี่ยนบ้างหรือเราก็เ <c> ป <oughs> ลี่ยนนด้เห็นก็เป็ น, น, ปนมันต่างกันเห็นพระเจ้าสอนให้เห็นมันมาให้เราเห็นมันมาไม่ใช่มาให้เราเป็นความหลงเราก็เห็นสติเหมือนดวงตาหน้าโลก โอชงก็ยังเปรีมุก ข, ขังจสติงอุปั ต, ตเปตะวาผู้ใดมีสติเป็นหน้าโลกสติเป็นหน้าโลกสติเป็นเว้นในคือไม่เผอเหมือนพระขีนหนอศผู้มีสติเป็นเว้นในมีหน้าโลกอยู่เสมอไม่เผอ ไว้ขี่หน่อศพคือมีสติเป็นวินยัยขี่หน่ศพคือปะอัลหันอัลลหันน้อยน้อยนิพพานน้อยน้ยนิพพานเชื่มลองมันหลงไม่หลงความหลงหมดไปแล้วเย็นลงแล้วความโกรธไม่โกรธความโกรธหมดไปแล้วหลือความไม่โกรธเย็นลงแล้วมันเย็นในความร้อนความโกรธมันร้อนความทุกข์มันร้อนมันเย็นลงที่นั่น การเย็นแบบนี้เรียกว่านิพานสัตว์ดุร้ายสัตว์พยศโสนไปโสนมามันหมดพยศตัวสัตว์นิพานช้างมันพยศอยู่ในป่าต้องหาดมันมันหายพยศเอามาใช่งานม้าพยศเอามาอยฝึกให้ใช่ได้เป็นช้างศึกเป็นม้าศึกลบได้ มันหมดปพยโยตีวิตเหล่าหมดพยโยชน์ต้ามาหมดพยโยชน์ช่างหมดพยโยชน์ก็เรียกว่านิพพานข้าวมันหมดร้อนก็โหลกข้านิพพานมันเย็นหมดทุกข์หมดสุขหมดโลกหมดโกดหมดหลงเรียกว่านิพพานไม่ใช่ไปบ้านไหนเมืองไหนมันอยู่ในกายในใจเรานี้ นิพพานที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นคืออยู่ที่กายที่ใจเรานี้อย่าทำให้กายใจมีปัญหาหัดหเวลาหลงหัดให้มันรู้ให้มันรู้เป็นเจ้าของอไว้ความรู้นี่ไม่ใช่ไปขอคนอื่นจะลอไปทึงไหนไม่ใช่อ อ, อื่นมาต่อรอง ฉนป่วยฉันแจ่ฉันเป็นหน وم, ุ่มฉันเป็นวัยรุน่นไปเกี่ยวห้องแบบนั้นอันควงลูกวงหลงไม่เกี่ยวกับหนุ่มกับแกมันอยู่กับกายกับใจเรานี้ทุกคนมีกายมีใจอันเดียวกันไหวใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องอ้างว่าเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวช เป็นสามันลักษณะเสมอกันแต่นักบวดก็ใช้ชีวิตแบบนักปวดหัดเพื่อเปรียบเหมือนกับนกมีปีกบินนักบวดมีจีวนมีบาทเป็นปีกทอมจะบินไปไหนได้ ก็มีโทษดีแตาไม่เหมือนกับญาติโยมมีลูกมีหลานต้องรับผิดชอบไม่ให้โทษทิ้งการสอนเรื่องนี้ไม่ให้โทษทิ้งลูกหลานให้ดูแลการปล่อยวางไม่ใช่โทษทิ้ง วางใจเฉยๆก็ยิ่งดีมีลูกมีเมียก็ยิ่งดีจะได้เป็นแบบอย่างจะดูช่วยกันยิ่งขยันขวาเป็นนักบวชใชชีวิตเป็นประโยชน์อยู่ด้วยกันพูดให้กันได้ยินทำให้กันดูแล้วก็ทําให้ตัวอย่างอาจจะดีกว่าคำสอนด้วยซ้ำไป มีประโยชน์เห็นหน้ากันได้ในพานพัญญาเห็นหน้าสามีพัญญาได้ในพานก็หน้าสามีชุ่มชอำไม่บูดเบื้องตึงเครียดเห็นหน้าก็ดีใจเย็นใจสามีเห็นหน้าพัญญาก็ได้ในพานก็ไม่เห็นหน้าลูกก็ได้ในพานเป็นคนดีดีพูดออกมาเป็นเสียง ดีๆชื่ในใจได้ยินเสียงลูกพูดกันมีความสุขลูกเต้าได้ยินเสงพ่อแม่พูดกันมีความสุขแล้วมีปัญญาเห็นกันมีความสุขมันก็เป็นประโยชน์อย่าทำกันเดือดร้อนอย่าทำกันหนักเป็นทุกข์ให้เย็นเห็นหน้ากันเย็นจน ถามเห็นหน้าพูเจ้าดกด ท, ทูพรเจ้าเวีนทบาทถามกวดบ้านอยู่หน้าบ้านเห็นพุทธเจ้าอุ้มบาตเดินไปเวียนทบาทมองแบบหลบไม่ได้ก็เลยวางตาดลงปัดทูปัดทูอะไรฮะ <c oughs> สวยเลย ไม่เหมือนนะเสาวสวยหนุ่มสวยไม่แบบนั้นนะว่าโตส้าสวยอ่าไม่ใช่แบบนั้นว่าโตว่าโตคอมีสามีอย่างนี้ปัญญาได้นิพพานตัวอนะไรหน้าตามันเย็นเคยมีปัญญาอย่างนี้สามีได้นิพพาน ใค้มีลูกอย่างนี้เพาะแม่ได้หนีผ่านเบาทโทูนอนนี่เขาดีมีครอบมีครัวจะได้ช่วยกันไม่ส่วนในทอดไร ท, ทิ้งอยู่ที่ไหนก็อยู่ในหน้าที่ของเราเรามาปฏิบัติทางก็มาเป็นคนดีไม่ทาให้ใครเดือดร้อน ถ้าเป็นคนดีที่ไหนก็ทำดีอาลักกันไม่ใช่ลักด้วยความคิดอะไรอาวร์แล้วพ่อแล้วแม่ก็ต้องเป็นคนดีแล้วปัญญาสามีต้องเป็นคนดีไว้เนื้อเชื่ใจอันนี้นะให้บ่อยวางทางกิจไม่ใช่ทอดทิ้งกันถ้าใครที่จะ ไม่เก <información, S 2> ็นทโทษเกิดร้อนก็ไปได้เช่นพระเจ้าสิทธัตถะไปบวชไม่ใช่ทิ้งดูแล้วตกลงกันแล้วพิมพาก็ไม่ลำบากลาหุนก็ไม่ลำบากเฮ้สนมกำนานในมากเรื่องดูพิมพาก็มีประสาทสามด้วยโดูอยู่กับพระเจ้าปู่พระเจ้าย่า ทัพย์สินจะเดืงคานไม่ลําบากเพ็มพากวามรักราหูสิริธาสิทธาก็วรักเพ็มพาลักความรักสองคนทั้งรักของเรามีเพียงสองคนไม่เพียงพอให้ลักให้ความรักของเราลักคนทั้งโลกแันละคนทั้งโลกของช่วยคนให้พ้นการเกิดเจ็บเจบตายไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่การเกิดเจ็บเจ็บตายนี่ เราไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เสียชละใครจะเสียชละใครจะศึกษาเรื่องนี้ตกลงก่อนไม่ใช่โทษทิ้งเคียเลยเอาเลยเสด็จพี่เอาเลยเสด็จพี่ไม่ต้องห่วงอย่าห่วงเวลาไปทรมานก็ได้ก็ไม่ได้ห่วงลูกห่วงเมียต่อพิมพาเคียแล้ว เอาเลอยเสด็จพี่ไม่ต้องกังวลขณะนะเสด็จออกบวดวันแรกระเจ้าโจทนุนะพิโรธโกดมากด่าว่าอำมาตยนาถามพิมพาพิมพาก็นั่งอยู่ในประสาทอุม้มราหุนอยู่พิมพาพูดคาเดียวเสด็จปู่ไม่ต้องไปตาม อย่าไปตามเลยไม่ต้องไปห่วงพระองค์หรอกไม่ต้องไปตามตามไปก็ไม่กลับมาพูดกันุดความสามารถแล้วถูกต้องแล้วไม่ต้องไปห่วงไห้ศีรษะเสด็จไปตามพระองค์ที่ที่ได้ตั้งใจเถิดเตะปูกองหยุด นึ่งไม่พูดอะไรเงีย บ, ยบพระเจ้าโถนตาเงียบนี่ไปคิดอะไรมาปฏิบัติธรรมลาพ่อลาแม่มาบวชบอกลูกบอกเท่ามาบวดมาปฏิบัติก็แม่เมื่อวานก็บวชกันตั้งเกตลูกจะเหมือนว่าหวานมเมล็ด ที่คิดหวังว่าลูกชายจะเป็นคนดีได้มาบวชได้มาอบรมมาปฏิบัติธรรมคงจะดีปาตาให้ลูกเป็นคนดีบานพืชลงไปให้มันเกิดความดีขึ้นมาว่าศึกษาปฏิบัติธรรมบวชคือโอเบบ้ายโบเหน โชช่างเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็รว่าปาวัชชะปาวัชชะแปลว่าดำลีหนีจากความชั่วไปสู่ความดีความชั่วมีเท่าไหร่หนีหมดพยายามหนีความดีมีเท่าไหร่พยายามทำมันต้องดีแน่นอนมันหลงไงหลงเวียนหลงเป็นลูก เหมือ น, มนโกรธไม่โกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธช่วไหมความโกรธดีมั้ยนะไในคีความโกรธดีมั้ยชินข้าวแช บ, บ๊อบนอนหลับบ๊อบยกหมือจึงคอยเศร้าความโกรธขืน ห, หนึ่งติสองหมื่อมีบ๊อบโกรธสองมันมีไหม กูได้โกรธตายก็ไม่เลือมอ่ะมีไว้ชั่งสั้นตีถ้ากูได้โกรธตายก็ไมเ่เลืมนะถ้ากูได้โกรธกูไม่ได่ามันก็ไม่ยอมเป็นเช่นบอกมันดีไปนั่นติไปยังบ่ลืมมันเปลี่ยนมันซ้ำลองเปลี่ยนดูสิเวลามันโกรธนั่นแหละราบเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวได้เห็น เห็นความโกรธโอ้ยเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธสมน้ำหน้าความโกรธมันถูกต้องที่สุดเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นโลนลิโอ้ยถูกต้องที่สุดไม่เคยใช้ชีวิตแบบไม่เลยเกือบจะสามิบปีมาปรึกษาทางนี้หลวงพอ่อเทียนสอนเวลามันหลงคิดไปไม่ได้ตั้งใจรู้ขึ้นมา ปวดทมีรสชาติมาใครเจอเนตรงนี้เห็นมันหลงนี่ปวดท้มันได้ป่ดเรียนดีดีะ่ะยิ่งเห็นมันโกรธนี่ยิ่งได้บวเรียนดีมีมันเคยโกรธมาเป็นรอยเหมือนรถเปรคส่มือสองถูกชนมาเหมือนกันรอยล็กมีไหมมีไหมไม่ขี มี ร, ยร <laughs> อรยลักไหมลอยขีดมีไหมโกรธใครมาบ้างมีเหมืับปัทโมันก็ต้องเห็นเนี่ยโ อ, โ, โอ้โถได้ช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองแบบนี้จริงๆนัต่างเก่าขึ้นเลืเอยๆต่างขึ้นมาเหมือนกับซักเวลามาหลงเหมือนกับรู้จักตัวมันซักกอกไป อยากจะเอามือมาลูบหน้า อ, อกอเวลามันลุขึใครเขียนอยากให้มันลงจะได้รู้มันบางทีประมาททำท่ า, ทาคิดไปทำท่ า, ทาคิดไปโกรธ ด, ดูสิเขาว่าอย่างนี้น่าโกรธนะเขาทํากับเราแบบไม่น่าโกรธโอ้ยอย่าให้โกรเธเถอะคงขืนถั่วเราทําให้ลงบอกให้มันโกรธโกรธสิเอาสิ น่าจะโกรธนะไม่โกรธก็เป็นหมาตัวหนึ่งอ่ะเคยพูดไมแต่เขาว่าขนาดนี้ไม่โกรธเหมือนหมาตัวหนึ่งล่ะแต่ก็บบ น, นี้โกรธชัโอ้ยอย่าให้โกรเธเถอะขมขืนคมขืนตัวเองไม่ลงอ้ายตัวเองดูหัวก็หวกัหวโลนโลนดูเพ่จีวรข็ให้ข้าหวห้กิ น, นขอโคก็ไหว้แม่มมก็ไหว่มานั่งโกรธแบบมันรังทุกข์นะอะไร มันทำไม่ลงเพราะนั่นนี่มันดีที่สุดเปลี่ยนโค้โกรธเป็นโค้ไม่โกรธเปลี่ยนโค้หลงเป็นโค้ไม่หลงเปลี่ยนโค้งทุกข์เป็นโค้ไม่ทุกข์มันก็ไปเรื่อยๆถ้าจะมีน้าหนักสักร้อยกิโลเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเบามองอุ๊บเบาใหญ่สลับไปเลย จะเอดไปหกสิบกิโลเหลืออยู่สี่สิบกิโลวัดโตโ อ, อ้มันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหรอเดินเหมือนกับไม่เดียบดินเอาเคยไหมเคยหางับของหนักๆหมกันเวลาหาับของหนักเดินทางไกลๆมีคนไว้รับหาับออกจากบ่า เกือบจะเดินไม่เป็นน้องตาเคยหาบหน่อไม้มาเอาหน่อไม้ก่อนภูเขาอยู่บ้านน้องแก่ลนมาหาบหน่อไม้ยัดเอาเผาปอกเกวกยัดสกรดตายกมันขึ้นต้องนั่งลงเไม่คลา ย, ลยหาบมีคนมารับหาบหน่อไม้เอาหา เดินไม่เป็นเลยเสยชกเสยโซไปมันเบาเนาะการหลงหัตาเมากายจิตตหลงหัตาเมาจิตมีได้กับผู้ปฏิบัติต่างเก่าพองบาบเดิมน้องเปลี่ยนหมดจเยอะประมาทเวลามันหลงู้เวลามาลันไหรู้าาาขึ้นมานะนี่คือจึงคือเป็นการปฏิบัตินะไม่มีไหมถ้ามีหลง ม, มีมีไหม อย่าหยุดถ้ามันหลงรู้สึกตัวเรื่อยไเอาจนมันไม่มีหนอน เ, เ, เรียบเรียบเนะเอานินทาสนเส ร, ริญแล้วยังสนเสริญดีใจเนินธาเสียใจใช่ไหมล่งคุ้มรอยคุ้ดีไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรนั่นไม่เป็นไรไม่ไขี่ ไม่เป็นไรเป็นอยู่นี่มาตรฐานนอาจารย์ฐานชีวิตของมนุษย์ถ้า อ, อันอื่นไม่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่เป็นเรื่องนี้ชาตริรัชานพัฒนานไม่ได้มนุษย์พัฒนานได้ที่ว่าจิตโสมนุษย์สัพิลาโภก่อนเกิดมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐพวกเรานี่ยมันก็บก่าลาบของเราแล้ว ยกมือขึ้นรู้มั้ยรู้มั้ยวางลงรู้มั้ยนั่นแหละโนโพธิโนโพธิมือวางไว้ขึ้นรู้สึกนี่แหละโพธิมิตรโพธิรู้รู้รู้ไปตรงนี้จงควรใจเวลากับพระพร้อมกัน